หนาแล้วเป็นยงไงเราจับใจหนาแล้วเป็นงไงใจเรานะทุกไหมไม่เคทุกเนาะอืมนาวบ้างจิตจิตใจในบางทีอาจจะไม่อาจจะไม่ทุกแบบไล้ายๆคนไม่ไหวเนาะแต่บางทีเราเห็นว่าบางทีมันมีการคุง ม, มั้ย ปงุปงหาเครื่อมกันหนาวปุงอยากปรับอุณหภูมินะี่ไมมีนะแต่ถ้ามันเป็นการปรุงเพื่อแก้ไขที่มันดีขึ้น mm. ก็ไม่เป็นไรนะ mm. เป็นธรรมดานะ mm. คือร่างกายมันก็ต้องแก้ไขนะไม่ใช่ว่าหิวแค่รู้ว่าหิวแล้วก็ไม่ไม่คิดแก้ไขก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็ยังไม่ใช่นิ่แลวก็ปล่อยให้มันเหนีว มันจะหา ย, อยเองเองไม่ได้นะหนาวถ้ามีขึื่อเป็นหนาวก็ต้องหามารักษาร้อนจะทนให้มันร้อนอย่างเดียวไม่อาบน้าไม่หลบร่มก็ไม่ใช่นะักร่างกายก็ต้องอาศัยอาศัยปัญญาเข้ามาช่วยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาช่วยบ้างอันนี้ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าเราร้อนเราหนาวเราป่วยเราหิวเราถ้ามัน มันต้องคิดหาทางรักษาคิดหาทางมาเทาคิดหาทางบำบัดอันนี้มันเป็นความคิดที่ที่ชอบทำน ะ, นะที่ชอบทำไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันใกล้เคียงกันคิดแล้วไม่เชอบทำก็มีนะคือบางทีมันมีปมแต่งไปมากพวเหี้เช่นบางทีเราหิวข้าวไม่กินข้าวเป็นประจำแล้วกลัวว่ า, วา เดี๋ยวจะเป็นโรคเประอันนี้ยอันนี้คือมันปุ่มมากกว่ามากกว่าเหตุหรือบางทีอย่างเช่นเราหนาวหนาวก็รู้สึกว่ามันหนาวไม่มีเรื่องกันหนาวแล้วมันปุ่มต่อไปว่ากลัวจะเป็นไข้ตัวจะไม่สบายอันนี้คือมันข้ามจับใจเข้าใจไหมอันนี้คือเราจะเห็นมันมันจะมีวิธีมั น, นมาพวกนี้เพื่อให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรมันไปติ่ที่เรียกว่า ควรที่จะต้องคิดหรือว่าจำเป็นต้องทํากับอะไรที่มันเตินเตินไปมันโอเวอร์เกินไ ป, น, ไปนะมันกนังวลมันกายเป็นการพิจดของอนาคตบางคนบอกลองถือเ้นเต็ดดูไหมลองอกินข้าเย็นก็ไม่กลา้าเพราะอะไรกลัวกลัวหิวกลัวเป็นโรคกระเพาะอันนี้บางคนเป็นแบบนั้นต้องมีหรือบางทีเคยเชิญญาติโ ย, ยมหลายคนไปปิดบันทำที่วัดหม่ก็ถาม น, นั้นถามนี่เยอะแยะมากมายนะ ที่ว่า อ, อยู่อย่างไรคิดอย่างไรนอนอย่างไรทําอย่างไรมันงทีมีความวิตกความวิตกเกินไปบางทีก็กลัวความยากลําบากอันนี้คือที่ที่เพืูดที่กิดให้เราแยกแยะด้วยที่เรื่องของกายก็ต้องอาศัยการคิดหรืออาศัยสิ่งต่างๆเข้ามาช่วยบ้างแต่เราก็ต้องรู้รึดจับจิตใจของเราด้วยเพราะไม่งั้นบางทีมันมันจะุมแต่งทําให้เกิดเป็นความทุกข์ ซึ่งบางทีมันอาจจะทุกกายมันก็แค่ระดับหนึ่งแต่ความทุกข์ใจมันจะมากกว่า น, นั้นมีหลายคนเนาะอยากจะมาก็เคยมีญาตินะอยู่กันหมอพอไปหาหมอแล้วันนี้หมอวิจฉัชว่าคล้ายๆาหัวใจทำงานกิด ป, ปกตอิอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นคล้ายๆลรหัวใจวาย ตอนก่อนไปหาหมอนะก็ยังสบายดีนะแต่พอหมอวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นหัวใจวายนะกลับมาทุกใจเป็นเป็นไหลาหลายสัปดาห์นะแล้วหมอนัดครั้งใหม่นะแล้วก็ไปวินิจฉัยใหม่ก็บอกว่าเออก็เป็นความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงน้อยพอเปลี่ยนคําวินิจฉัยนะใจก็ดีขึ้นนะหรือบางคนนะพอก่อนเป็นโน้มมาเด้งมาถึงก่อนที่จะรู้นะอาจจะเป็นมาก่อนก็ได้ ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโน้มะเร็งก็ก็ยังใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้แต่พอรู้ว่าตัวว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโน้มอะไรก็แล้วแต่นะมันทุกขึ้นไปใช่เกมบางทีใจเราเนี่ยมันปุงแต่ความทุกข์มากกว่าเหตุอันนี้เราต้องรู้ทันบางทีเมื่อมันเป็นแล้วก็ค่อรักษาไปก็ค่อยแก้ไขไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แล้วเท่ามันก็เป็นเป็นไป ข, ของมันแต่เราก็ค่อยแก้ไขรักษาไปอันนี้เรามาแยกแยะกันนะ นี่คือการประโยชน์ของการเรียนรู้จักกายนะเรียนรู้จับ ก, กายไม่ใช่ว่าเราจะคล้ายๆไม่ให้กายไม่เป็นอะไรนะไม่ใช่นะธรรมดาของคนคิดว่าเราปฏิบัติทำแล้วเราต้องมีความอดทนมากกว่าคนปกติต้องทนหนาวได้มากกว่าคนปกติต้องทนร้อนได้มากกว่าคนปกติต้องทนหิวหรือว่าต้องทนเมื่อยได้มากกว่าปกติที่จริงเราไม่ฝึกกายไม่เป็นเช่นนั้น ความอดทนมันอยู่ที่จิตใจแต่แน่นอนอะ่ะกายวิธีมันไม่ไหวด้วยเลือยอะไรก็แลต่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่เราไม่ฝึกที่อดทนแบบนั้นนะบางคนจะคิดว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยต้องนั่งได้นานๆต้องเดินได้นานๆต้องอดข้าวอดน้ําได้หลายวันเป็นวิถีที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีต้องทำด้วยเช่นั้นแต่ให้จริงมันไม่ใช่เป็นเครื่องเครื่องวัดนะไม่ใช่เป็นเครื่องวัด บางคนอาจจะนะนั่งไม่ได้นานหรือไม่ได้นานแต่ถ้าขณะที่ทุกการจะทำํำนะมีสติไดนะ้เหมือนเสื้อที่โยมใส่มีสติขณะที่นั่งขณะที่เดินขณะที่ยืนนะครับนะมีสติทุกขณะได้อิริยาบถในถ้าเรามีสติได้นั้นกะ็คือเราจเจอสติแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งนานๆเดินนานๆนะนะไม่ปวดไม่เมื่อย ปดเมื่อยก็เปลี่ยนนะอันนี้คือคือสิ่งที่เราฝึกแล้วพ็กโยนเป็นไงบ้างนอกจากหนาวม่วงมีไหมม่วงมากนะก็ยังไม่ถึงแบบเนาะอ่ยังดีนะบางคนม่วงมากนะล็อกกลางกายก็มีนะเดินอยากจะมาเองตอนตานไปบัตรใหม่ๆบางที เนีตรงหัวหวันิโป้งนิวน้วเท้านะนิ้วเทาบันทีก็มันช้าช้าเลือด น, นะเพราะว่าบางทีทางจนนุลกลมเขจะไม่กว้างนะเราเอาหินม า, มากอรอบรอบๆมนเะนี่ยไม่ได้ทำเองหรอกท่าเก่าที่เขาอยู่กุติเก่าเขาเข า, าทำไปอยู่แล้แล้วก็เดินไปบางทีเดินเซะแตะหินนีบางทีเดินเซไปสะดุดสะดุดดินเนี่ยแหละมันก็อาจจะ เลือมนิดนึงตอนตอนมีสกิมันก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ทวันเผอเมื่อเมื่อก็สะดุดไปเกือบล้มก็มีบางทีก็แต่จริงก็ถ้าความมื่อเ่นะผลสู้มันสักเลี้ยนึงน่ะมันคล้ายๆมารู้สึกตอนมันเหมือนคล้ๆเหมือนเราเดินขึ้นเขาอยู่ตอนเดินขึ้นเขามันเหนื่อยเหน่อยนักหนัแต่พอขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วครั้นี้มันสบายเป็นน้นาํางล้าว นะเป็นทางราบสบายบางวันอาจจะง่วงบ้างหลายชั่วโมงทนไปสักระยะหนึ่งนะพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันตาสว่างคราวนี้ทำยังไงก็ไม่ง่วงหรอกเดินแนสบายไม่อยากจะพักได้ไนะไซ้าไปนันเป็นค้ายหมือนขึ้นเขา่าแล้วก็เป็นยอดก็สบายลนะหายเหนื่อยหายง่วงบางทีก็ต้องทนแบบนั้นนะนะแต่บางที เราก็จะมีความคิดคิดว่าเราผ่านควม่วงได้แล้ววันต่อไปจะไม่เจออีกนะไม่ใช่เหมือนกันนะเราก็คิดว่าวันนี้ดีแล้วผ่านได้ส บ, บายแล้วนะมันก็ยังมีกลับมาอีกนะเหมือนเรากินข้าวกินแล้วคิดว่าจะไม่เหนยวอีกแล้วมันก็เหนียนะความ่วงก็เหมือนกันนะม่วงแล้วก็ขายง่วงได้ขายง่วงแล้วก็อาจจะง่วงได้นะแต่คนนี้ แต่พอเราเคยผ่านความม่งได้ในหลายๆครั้งมันจะมีความมาั่นใจว่าที่จริงความม่วงก็ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกี๋ยวสักพักมันก็ผ่านไปคนเปสักระยะหนึ่งหรือถ้ามีสติอถ้าสติมันพัฒนามากกว่านั้นมันก็เห็นความม่วงเป็นส่วนหนึ่งนะใจก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก่อนมันทนไปก่อนทนไปก่อนทนจนทักได้ไกลความม่วงมันหายไปเองแต่ตอนหลังมันก็เห็นความม่วงเป็นส่วนหนึ่งนะ ใจก็อยูอ่กับสติอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นคนละส่วนที่มันที่มันแยกกั น, นความคิดแต่ก่อนก็เป็นเราคิดระหน่นก็รู้สึกว่าเออก่อน ค, คิดก็เป็นส่วนหนึ่งตัวรู้ว่ามันคิดก็เป็นอีส่วนหนึ่งมันจะค่อยๆแยกๆนะแยกๆนะอันนี้คือปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเจอสติกนะีมันธรรมดานะห่วงบ้าง ก็ธรรมดาคิดบ้างคิดมากไหมคิดมากไหมมีความฟู้งซ้างนไหมมีนะแล้วก่อนปฏิบัติ ม, ม <c oughs> ีไหมไห ม, มนะีใช่ไหมนต่นแปลกไหมไม่แปลกนะใช่ไหมก่อนปฏิบัติเราต้องมีความคิดฟู้งซ้างนะมีความเมื่องนอนนะก็มีนะแต่แต่ก่อ น, น, นเมง่วงนอนแล้วก็หาตัวช่วยก่อนไม่ไม่ยอมเอาใจช่วยตัวเองก่อนนะ หาตัวช่วยก่อนหาด้านกาแฟหรือว่าถ้าตอนเราเบื่อทําไงหาตัวช่วยเหมือนกันใช่ไหมบางทีปฏิบัติธรรมก็เบื่อใช่ไหมเบื่อทําไมเดินจงกรมกลับไปกลับมาเมื่อไรจะหมดเวลาทำไมต้องนั่งยกลมือทําไมต้องนั่งหลังตาเลยก็อาจจะมีความเบื่อมากมายอแต่ถ้าเราบางทีท่านในชีวิตคนปกติน้ำเกลือก็ต้ก็จะก็เปลี่ยนทันที แต่สนิทจะเปลี่ยนไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกใช่ไหมเปลี่ยนไปดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์ดูเฟซบุ๊กอะไรนะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ไปอยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งเพราะอะไรที่จริงพวกนี้มันก็รอให้เราสนุกสนานตื่นเต้นนะฮะเราก็ชอบมันนะแต่ไปชอบอารมณ์ที่มาตื่นเต้ น, ตนสนา น, นเพลิดเพินไปอ่านะก็ไม่ต่าง ก, กันแต่ครั้นี้เราลองมาเรียนรู้ดูจากความเบื่อในใจ ที่จริงนะถ้าเราสามารถศึกษาความเบื่อดูจักความเบื่อได้จริงๆนะมันจะอยู่กับตัวเองได้สนุกมากขึ้นนะแม้ไม่มีโทรศัพท์แม้ไม่มีเครื่องมือความสะดวกนะแต่เราจะมีทักษะอีกอย่างหนะึ่งทักษะที่คนยุคใหม่ขาดแคลนที่สุดคือทักษะในการอยู่กับตัวเองนะเดีนี้เรามีแนวเรียนรู้ทักษะในการอยู่กับสังคม เรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ทักษะกับการทํำธุรกิจอะไรมากมายแต่ทักษะที่มนุษย์เราขาดแคลนนอนั่นคือทักษะในการอยู่กับตับเองเราอยู่กับตับเองไม่ค่อยได้จริงนะนให้ทําอะไรก็ได้นะแต่ขออย่าให้ไม่มีอะไรทําใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรทำเนคนจะเป็นบ้านง่ายๆจริงนะแต่พอมีอะไรทําเนี่ยคนจะอยู่กับตัเองได้ มี น, ปนมัปฏิบัติธรรมหลายคนบางทีมาปฏิบัติธรรมที่วัดแบบไม่ค่อยเต็มใจโดนโดนคุณครูบังคับมาบ้างโดนในงานบังคับมาบ้างก็มีบ้างมีแบบประเภทนี้บ้างก็มีอีกหลายประเภทที่มาแบบเต็มใจพอปฏิบัติธรรมแล้วมันเจอความม่วงเจอความเครียดเจอความเบือ่อแล้วก็ถึงขนาดมาขอต่อรองนะ ขอให้ไปปูดตินถามญ่าก็ายังดีกว่าให้มาเดินจังกรมไปตากแดดก็ได้นะให้ทำอะไรก็ได้ตากโซ่ก็ได้นะอื่นแต่ให้เดินจังกรมดีเหนื่อยเบื่อนะไม่ไหวขนาดไม่ได้ออกแรงในมากมายนะแต่มันใจมันอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่นั้นก็เข้าใจในความที่ใจก็ยังไม่พร้อมแต่มาเชื่อว่าถ้าใครที่มีความพร้อมนะมันก็คงเบื่อเหมือนกันนะคงเหนื่อยคงง่วงเหมือนกันนะ แต่พอใจเราสู้เราก็จะค่อยๆเรียนรู้รว่าข้ามมันไดนะ้มันเป็นคนทุกคนเนาะโยมจะคิดว่าเราแตกกับคนอื่นนะเป็นธรรมดาแต่จริงแต่ ว, ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้เราศึกษา ร, รู้จักตัวเองจริงๆกลับมาเห็นตัวเองนี่คือศาสตรท์ที่ที่เรามาเรียนรู้คือการกลับมาเรียนรู้จักสภาวะของกายของใจที่มเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็น จะเห็นสิ่งที่กายที่ใจก็ปกปิดซ่อบเ้นหรือว่าหมกเอ่อเรียกว่าเก็บกดหมกทับอยู่ในใ จ, จิตใจสันดานเราไม่รูกี่คกีชาติเนะี่ยมันจะเข้าแสดงตัวตรงขึ้นม า, าบางครั้งเราอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะที่เกิดขึ้นกับจิตใจหรือเห็นหรือรู้สึกว่ามันคิดไม่ดีนะคิดชั่วอยากลามกคิดเป็นอันตรพาลรู้สึกว่าตัวเองทําไม โมโหขี้หมกมิมดขนะี้ประชดขี้อิจฉามันจะเห็นสิ่งที่เป็นขี้ๆในกำมือนั่นดะาวนะนะที่จริงเขียนพวกนี้มันมันมันจะทําให้เราค่อยๆชานักได้แต่ถ้าแต่ก่อนเราไม่เห็นเราไม่เห็นพวกนี้นะเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีคิดว่าเรา ม, มีความสุขคิดว่าเราคงไม่ทผู้กลบเพราะว่ามันยังไม่เห็นจริงๆว่า ลึกๆในจิตใจแล้วมันมีอยู่กัแบแม่นั้นทุกคนนะแต่มากน้อยอาจจแต่ละคนอาจจะแตก ต, ต่างกันไปนะแต่การที่ปฏิบัติธรรมบางทีมันมันไม่ได้เห็นแต่ด้านที่ดีหรอกไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วจะสมงบอย่างเดียวมีความสุขอย่างเดียวสบายอย่างเดียวไม่มีหรอกนะแต่มันเห็นอีกงที่ไม่ดีในจิตใจเนี่ยมันเป็นการค ล, ล้ายๆําระําระหรือว่าปัดกวาดความสกปรกออกจาจิตใจเหมือนกับ มันกับเรากวาดบ้านถูบ้านมันนะแต่ก่อนอ้อมเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยลกเท่าไหร่ไม่ก็สยจบกเท่าไหร่ลองเราจับไม้กวานใช่ไหมขวาดไปที่เอาฝุ่นมาจากไหนทัานทที่เดินเดินไปไม่เห็นมีมมนะกวาดไปที้เอาฝุ่นกองโตพอสมควรไม้ถูพื้นของเราก็จะอาดลักอย่างดีพอไปถูไปสักเลื่อยหนึ่งก็ต้องกลับไปร้านใหม่ใช่ไมเพราะมันสกปรก จิตใจก็เหมือนกันนะเราก็คิดว่ามันสะอาดพอสมควรอยู่พอปฏิบัติไปเรื่อยมันจะเห็นความคิดที่ไม่ดีเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันจะเห็นว่ามันสกปรกนะสกปรกเราก็ชำระล้างในการรู้เท่าทันอย่แหละดูเท่าทันจิตใจที่มันสกปรกมันจะสะอาดขึ้นยเรื่อยๆแต่นี้ก็ยังเป็นอีกขั้นตอนนึงนะแต่ขั้นตอนที่มันจะมากกว่านั้นคือแม้แต่จิตใจที่สะอาดเราก็มีเยึด แม้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้จะเป็นสิทธิยากกว่าการละสิ่งที่ไม่ดีจะจิตใจเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายแต่การละสิ่งที่ดีนี่มันทําได้ยากนะแต่ถ้าเราหวังที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงรับผลที่ผ่านจริงนะต้องลองเรียนรู้ดูนะเพราะว่าถ้ารยัง ปฏิเสธแค่ความทุกข์หรือปฏิเสธที่ดีแล้วไปติดในความทุกข์สิ่งดีๆบางทีมันก็จะพร้อมเปลี่ยนเป็นความความทุกข์ได้เหมือนกันอย่างที่บอกไว้เหมือนเม่อเมือเช้านะที่บอกบางทีการที่แม้แต่ยึดถือความสุขชั่วคราวหายใจเข้ามีความสุขนะมันก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์นะมันไม่มีอะไรหลอกที่จะเอาอย่างเดียวมัอนเราทานข้าวเราคิดว่าการทานข้าวมันดีนะ แต่จริงการถ่ายออกเนะี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะอ่อจะทานอย่างเดียวแล้วไม่ถ่ายเนี่ยอ่ามันก็เรียกว่าทุกข์นะทุกข์มากกว่าสุดทัง น, นั้นเห็นเป็นสิ่งธรรมชาติที่มันเป็นไปเนา ะ, ะก็เดี๋ยวให้อานะจารย์ตุ้มกับอานะจารย์หนุนะ่มเนาะได้ได้พูดคุยกับญาติโยมกันทุกทุก ท, ท, ทายนิมนต์ คือในการปฏิบัติก็ร้อมแล้วเวลาในการปฏิบัติก็มีทั้งวันก็เหลือเพียงแเราเราลงมือทำสติในเบื้องต้นก็มีทําไวเตือนตัวเราเองชะจะไหมครับหาโอกาสความเฉดิชก็ว่าช่วยโอกาสปฏิบัติมมรู้นะว่ามีโอกาสนั่งสร้างจังหวะก็นั่งสร้างจังหวะในโอกาสเดินก็รู้สึกตัวกับการเดินไป มีโอกาสใช่ไหมฮะหรืออืในอะไรยังไงก็เราก็หาโอกาสตรงนี้คือวันวันให้เราได้อยู่กับนะกับการภาวนาอยู่การรู้สึกตัวตรงเนี้ยเราจะเห็นก็เรียกว่าพเราได้เห็นอา น, นิสงส์ของการปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวกำลังใจนะฮะให้เราเนี่ยได้ได้ไดมองเห็นว่าอืมเราทําขนาดนี้ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ ทำมากกว่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้นะครับก็อยากอยากให้ทุกเรากนะ็คือคิดว่า <c ười> อย่างเมื่อชเช้าพี่จันทรบอกว่ า, วาในกรุงเทพตอนนี้ก็มีหลายที่นะแต่บางที่ก็ฟังบางที่ก็ปฏิบัติอยตรงนะี้แต่ก็คิดว่าอีกหลายพื้นที่อย่างจันทรนะในกรุงเทพก็ก็ไม่ได้มีคนที่สนใจตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือทุกเราจะมีวาสนาส่วนหนึ่งนะก็เรียกว่า มาสนะที่ติดตัวมาบุญที่ได้ทําได้ก่อนตรงนี้ก็ได้ผ่านเข้ามาได้เข้ามาแบบว่ามาพาตัวเองมาปฏิบัติกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประตูใช่ไหมฮะเราก็เปิดประตูนี้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทาต่อแน่นกันนะฮะก็เป็นไม่เป็นเพื่อนกั น, กนเดินทางด้วยกันเดี๋ยวสายแหลกผ่านก็นยังไม่หนาวนะฮะชวนกันปฏิบัติหัวนตนาทุกคน ต่อชั่วโมงวู่ต่อว um ูตัวจิตยังแกฟุ้กาแฟอตะกี้กลังเดินเดินอยู่ตัวแตมาตะเกีจบอะไนะว่าม่วงมากยกมืออย่าง้มาสิบห้ปีเนี่ยเจอความท่องทุกวันผเชอพอเดินปุ๊บวกปั๊บยกมือปุ๊บคนปั๊บทีนี้วิธีจะแก้ความวุ่นเนี่ยมองไปเห็นกาแฟใช่ไหมคนคิดว่าไปดื่มกาแฟ ไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นเรื่องขอ ง, ของเรื่องต่างๆจริงๆความวนะุ่นอ่ะมันเป็นตัวนิวรณลมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของจิตพอเราสู้มันยกมือไปนะตัวอาตมาเองก็เคยเจอเนะี่ยมือครั้งเดะบางทีก็เดินตกลาดกลมอย่างที่พระอาจารย์พูดภาษาที่แล้วเขามีพระเดินตกลาดตะกลมไม่ใช่เมาเล่านะเ ม, มากรรมฐานเนี่ยนะเดินหัวทิ่มเนนะี่ยคือตัวเนี้ยแหละที่มันจะเป็นเขาเรียกนิวรน ตัวีท่าคุณมีตัวความง่วงมันเหมือนว่าไม่ให้เราผ่านนี่เราจะสู้มันมันยังไงถ้ามนง่วเราก็เปลี่นอารมณ์จะปดถ้ายกมือง่กันเดินเดินแล้วมันโง่วงก็ไยกมือหรือว่าหากิจกรรมอื่นทาเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปอยู่อย่าไปจมกับตรงที่ยกมูอถ้ายกไปแล้วมง่วงเราก็ไปเดินไม่อย่างคื อ, อมันยืนเดินนอนนั่งนอน ต่นอนไม่จะหลับได้ง่ายเคยแม้ยกมือไปแล้วก็นอนอหลับไปพอกแบบไม่รู้หลับตอนไหนนะเคยเคยเองเด้วยตัวเองแต่ทีนี้คือวิธีที่จะแก้คืออย่างที่บอกเปลี่ยนอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆหลับก็ห้นาที10นาทีแต่จะหลับยาเป็นครึชั่วโมงหนึชั่วโมงนะอันนั้นมันจะมันจะไม่ใช่นะเนี่ยเทคนิคง่ายๆคือเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปจมแช่อยู่กับในความ แต่ถ้าผ่านแล้วเนี่ยมันจะสว่างโล่งเดินเดินไปบางทีที่ทบอกโล่งโปร่งเลยเดินทีเนี่ยแหละเดินได้ทั้งวันเรลองดูลองดูตัวเนี้ยบางคนเข้าใจว่าผมโปุ๊บต้องไปหาพึ่งกาแฟมันเป็นจะเป็นกรรมฐานกาแฟถ้าลูกศิษย์ลูกพ่อเทียนกับหลวงพ่อเขียนน่ยไม่มีนะเรื่องกาแฟไม่มนะีที่วัดก็ไม่มีพระดื่มกาแฟเพราะว่า ครูาาจารย์ะเนเรื่องนี้มันจะเป็นปคล้ายๆว่ามันจะแก้ติดจุดก็เคยมีภาพเพื่อนพวอวงปุ๊บหากาแฟจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาการของของของกายมัเป็นอาการจิตรองลองูดก็ให้กําลังใจแัะปฏิบัติเห็นพวกเรามามัเนเราเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเราทล้ายๆว่าเรามีจิตที่เหมือนอาจารย์กะโนได้ จริี้พวกเรานี่กายไม่พิการกัย น, นะแต่จิตพวกเราพิการกนะครับอาจารย์สัพคนี่ยกายพการัต่ใจข่านไม่พิการลแล้วก็ขอฝากไว้เพนี้